ลำดับนั้นการเมื่อพระโพธิสัตว์มีพระชนได้สิบหกพรษามูอฺอามัดและพร้อมเป็นต้นคิดกันว่าพระกุมารเป็นง่อยเปลี้ยก็ตามเป็นใบ้ก็ตามเป็นคนหนวกก็ตามหรือไม่เป็นก็ตามจงยกไว้เมื่อวัยเปลี่ยนแปลไปบุคคลชื่อว่าไม่กำนัดในอารมณ์ที่น่ากำนัดย่อมไม่มีชื่อว่าไม่ดูในอารมณ์ที่น่าดูย่อมไม่มี ชื่อว่าไม่ยินดีในอารมณ์ที่น่ายินดีย่อมไม่มีเมื่อถึงคราวแล้วความกำนัดยินดีนี้ย่อมมีเป็นธรรมดาเหมือนความแย้มบานของดอกไม้ฉะนั้นพวกเราจะให้เหล่านางสนมนักฟ้อนรำบำเรอพระกุมารทดลองพระกุมารด้วยนางสนมนักฟ้อนรำเหล่านั้นลำดับนั้นพระเจ้ากาศิการาชมีรับสั่งให้เรียกหญิงฟ้อนรำทรงรูปอันอุดม สมบูรณ์ด้วยความงามดังเทพอักษรตรัสกับหญิงทั้งหลายว่าบรรดาเธอทั้งหลายหญิงใดสามารถทําให้พระกุมารร่าเริงหรือผูกพันไว้ด้วยอํานาจกิเลสได้หญิงนั้นจะได้เป็นอัครมเหสีของพระกุมาร น, นั้นนางนมทั้งหลายส่งสนานพระกุมารด้วยน้ําหอมตกแต่งพระกุมารรากคะเท พ, พบุตร ให้บรรทมบนพระที่สิริสยญาติที่ตกแต่งไว้ดีแล้วในห้องมีสิริเช่นกับเทพิมานทาให้เป็นที่ลุ่มหลงเพราะกลิ่นหอมอย่างเอกภายในห้องด้วยพวงของหอมพวงระเบียบ ด, ดอกไม้พวงบุผชาติและจุนแห่งทูปและเครื่องอบเป็นต้นแล้วหลีกไปลำดับนั้นยิ้งเหล่านั้นพากันแวดล้อมพระโพธิสัตว์ พยายามให้พระโพธิสัตว์อภิรม์ด้วยการโฟนรำขับร้องบ้างด้วยกล่าวคำไพราะเป็นต้นบ้างมีประการต่างๆเพราะความที่พระโพธิสัตว์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยพระปรีชาพระองค์จึงไม่ได้ทอดพระเนตรดูหญิงเหล่านั้นทรงอธิษฐานว่าหญิงเหล่านั้นอย่าได้ถูกต้องสรีระของเราแล้วทรงกลั้นลมอศาศาสะปัสสะสะครั้งนั้น พระสรีระของพระโพธิสัตว์แข็งกระด้างหญิงเหล่านั้นเมื่อไม่ได้ถูกต้องพระสรีระของพระโพธิสัตว์คิดว่าพระกุมารนี้มีสรีระแข็งกระด้างคงไม่ใช่มนุษย์จักเป็นยักษ์ทั้งกลัวทั้งสะดุง้งไม่อาจที่จะดํารงตนอยู่ได้จึงพากันหนีไปแม้ทดลองด้วยหญิงทั้งหลายในระหว่างในระหว่างอย่างนี้เป็นเวลาปีหนึ่ง ก็มิได้เห็นความพิรุธของพระโพธิสัตว์โมอาหมาดพรามพระราชาแม้ทดลองด้วยการทดลองอย่างใหญ่16ครั้งและด้วยการทดลองอย่างเล็กน้อยมากครั้งตลอด16ปีอย่างนี้ก็ไม่สามารถจะกำหนดจับพิรุธของพระโพธิสัตว์นั้นได้ลำดับนั้นพระราชาตรัสถามหญิงทั้งหลายว่าแม่มหาจำเริญทั้งหลาย ลูกของเราหัวเราะกับพวกเธอบ้างหรือไม่หญิงทั้งหลายกราบทูลว่าหามิได้เลยเพคะพระราชาทรงสดับคำของหญิงเหล่านั้นแล้วทรงร้อนพระหฤทัยปพระเหตุนั้นมีรับสั่งให้เรียกพวกพรอมผู้ทำนายลักษณะมาตรัสว่าท่านพรามผู้เจริญทั้งหลายเมื่อพระกุมารประสูตร พวกท่านบอกแก่เราว่าพระกุมาร น, นี้สมบูรณ์ด้วยบุญยลักษณะอันอุดมอันตรายไม่มีแก่พระกุมาร น, นี้บัดนี้พระกุมาร น, นั้นเป็นทั้งง่อยเปลี้ยเป็นทั้งใบทั้งหนวกถ้อยคำของพวกท่านไม่ทำให้เรายินดีเลยลำดับนั้นร้อมทั้งหลายกราบทูลพระราชาว่าข้าแต่พระมหาราช ขึ้นชื่อว่านิมิต ท, ที่อาจารย์ทั้งหลายของพวกข้าพระองค์ไม่เห็นย่อมไม่มีอีกประการหนึ่งพระโอรสนี้เป็นโอรสที่ราชตระกูลทั้งหลายปรารถนาจึงได้มาเมื่อพวกข้าพระองค์กราบทูลว่าเป็นกาลกันณีความโทมนัตก็จะพึงมีแด่พระองค์เพราะเหตุนั้นพวกข้าพระองค์จึงไม่กราบทูลพระราชาตรัสถามว่า บัดนี้ควรจะทำอย่างไรพรามเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระมหาราชถ้าเมื่อพระกุมารอยู่ในราชมีนยนนี้จะปรากฏอันตรายสามอย่างคืออันตรายแห่งชีวิตอันตรายแห่งสเสวตฉชัดอันตรายแห่งพระอัครมเหสีเพราะฉะนั้นควรที่พระองค์จะชักช้าไม่ได้ โปรดให้จัดรถอวมมงคลเทียมาาม้าอวมมงคลให้พระกุมารบรรทมบนรถนั้นนําออกทางประตูทิศตะวันตกฝังเสียในป่าช้าผีดิบพระราชาได้ทรงสดับคําของพราหมณ์เหล่านั้นทรงกลัวพยันตรายจึงทรงรับคําการนั้นพระนางจันทาเทวีได้ทรงสดับประพฤติเหตุนั้นจึงรีบด่วนเสด็จเข้าเฝ้าพระราชาแต่พระองค์เดียว ถวายบังคมแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้สมมุติเทพพระองค์ได้พระราชทานพรแก่ม่อมฉันไว้ม่อมฉันรับแล้วถวายฝากพระองค์ไว้ขอพระองค์โปรดพระราชทานพรนั้นแก่ม่อมฉันในบัดนี้พระราชาตรัดว่าจงรับเอาสิพระเทวีพระนางกราบทูลว่าขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัต แกลูกของหม่อมฉันเถิดพระราชาตรัสว่าให้ไม่ได้พระเจวีทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระราชาตรัสว่าลูกของเราเป็นกาลกันณีพระเจวีทูลว่าข้าแต่พระองค์ถ้าไม่พระราชทานตลอดชีวิตขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติเจ็ดปีพระราชาตรัสว่าให้ไม่ได้ พระเจวีทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติหกปีพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าให้ไม่ได้พระเจวีทูลว่าถ้าเช่นนั้นขอได้โปรดพระราชทานราชสมบัติห้าปีพระเจ้าค่าพระราชาตรัสว่าให้ไม่ได้พระนางจันทาเทวีทูลขอราชสมบัติลดเวลาลงเป็นลำดับ คือสี่ปีสามปีสองปีปีเดียวเจ็ดเดือนหกเดือนห้าเดือนสี่เดือนสามเดือนสองเดือนเดือนเดียวครึ่งเดือนจนถึงเจ็ดวันพระราชาจึงพระราชทานอนุญาตพระนางจึงให้ตกแต่งพระโอรสแล้วอภิเสกว่าราชสมบัตินี้เป็นของเตมิยะกุมารให้เป่าร้องทั่วพระนคร ให้ประดับพระนครทั้งสิ้นให้พระโอรสประทับบนคอช้างให้ยกสเสวตฉชัดเบื้องบนพระเสียนพระโอรสทำประทักษินพระนครให้พระโอรสผู้เสด็จมาบรรทมบนพระยี่ผู้อันมีสิริตรัสวิงวอนตลอดคืนและวันถึงห้าวันว่าพ่อเตมิยะแม่ไม่เป็นอันหลับนอนร้องไห้อยู่ถึง16ปีเพราะลูก ดวงตาทั้งสองของแม่ฟกช้ำหัวใจของแม่เหมือนจะแตกด้วยความสุขแม่รู้ว่าลูกไม่ใช่ง่ายเปลี้ยเป็นต้นเลยลูกอย่าทำให้แม่หาที่พึ่งมิได้เลยครั้นถึงวันที่หพระราชารับสั่งให้หานายสารถีชื่อสุนันทะมาตรัสสั่งว่าพ่อสุนันทะสารถี พรุ่งนี้เจ้าจงเทียมม้าอาวะมงคลคู่หนึ่งที่รถอวะมงคลแต่เช้าทีเดียวให้พระกุมาร น, นอนบนรถนั้นนําออกทางประตูทิศตะวันตกประกาศมาคนกาลกันนีจงขุดหลุมสี่เหลี่ยมที่ป่าชาผีดิบใส่พระกุมารในหลุมนั้นแล้วเอาสันจอบทุบศีรษะให้ตายกลบดินข้างบนทําดินให้พูนขึ้นอาบน้ําแล้วกลับมา นายสารธีทูลรับพระราชดำรัสแล้วพระเทวีได้สดับดังนั้นก็เป็นเหมือนพระหฤทัยแตกทำลายสเสด็จไปสำนักพระโอรสวิงวอนพระกุมารตลอดราตรีตรัสว่าพ่อเตมิยะพระเจ้ากาศิกราชพระบิดาของลูกมีพระราชดำรัสสั่งให้ฝังลูกในป่าช้าผีดิบในวันพรุ่งนี้แต่เช้าทีเดียวลูกจะตายแต่เช้าพรุ่งนี้นะลูก พระมหาสัตว์ได้สดับดังนั้นก็มีพระมณั์ยินดีทรงดําริว่าพ่อเตมียะความพยายามที่เจ้าทํามา16ปีจะถึงที่สุดแห่งมโนรสของเจ้าในวันพรุ่งนี้แล้วเมื่อพระมหาสัตว์ทรงดําริอยู่อย่างนี้ก็เกิดปีติขึ้นภายในพระกมลส่วนพระคารุไทยของประมาณดาพระมหาสัตว์ได้เป็นทุกข์เหมือนจะแตกทําลาย แม้เมื่อเป็นเช่นนั้นพระมหาสัตว์ก็ทรงดำริว่าถ้าเราจะพูดโมโนรถของเราก็จกไม่ถึงที่สุดดังนี้จึงไม่ตรัสกับพระชนนีนั้นลาดับนั้นครั้นราตรีนั้นล่วงไปรุ่งขึ้นเช้าพระเทวีสงสนานพระมหาสัตว์ตกแต่งองค์แล้วให้ประทับนั่งบนพระเพลาประทับนั่งสวมกอดพระมหาสัตว์นั้น ครั้งนั้นนายสุนันทะสารธีเทียมรถแต่เช้าทีเดียวเทวดาโดนใจให้เทียมม้ามงคลที่รถมงคลด้วยอนุภาพแห่งพระมหาสัตว์หยุดรถไว้แท่พระราชทวารขึ้นยังพระราชนิเวศเข้าสู่ห้องอันเป็นสุริถวายบังคมพระเทวีแล้วกราบทูลว่าข้าแต่พระเทวีขอพระแม่เจ้าอย่าได้กริ้วข้าประบาด ค้าประบาทรับพระราชบัญชามากราบทูลดังนี้แล้วเอาหลังมือกันให้พระเทวีผู้นั่งสวมกอดพระโอรสอยู่หลีกไปอุ้มพระกุมารดุดกำดอกไม้ลงจากปราศาสานั้นพระนางจันทาเทวีสยายพระเกศาขอนพระสวงทรงปริเทวนาการดังสนัน่นอยู่กับหมูนางสนมในปราศาสลำดับนั้น พระมหาสัต ท, ทอพระเนตรเห็นพระมารดาทรงกันแสงก็เป็นเหมือนมีพระหฤทัยแตกทําลายเป็นเจ็ดเสียงทรงดําริว่าเมื่อเราไม่พูดกับพระชนนีพระชนนีของเราจะมีพระหฤทัยทําลายวายพระชนจึงทรงใคร่จะพูดด้วยแต่ทรงดําริต่อไปว่าถ้าเราจะพูดกับพระมารดา ความพยายามที่เราทำมา16ปีก็จะหาประโยชน์ม่ได้แต่เมื่อไม่พูดเราจะเป็นประโยชน์แก่ตนเองแก่พระชนกพระชนนีและแก่มหาชนทรงดำริดังนี้จึงทรงกลั้นโศกาดูนเสียได้ไม่ตรัสกับพระชนนี